พ่อลองประเมินดูแล้วนะก็จะเรียนทีละคนเนี่ยวันหนึ่งได้เจ็ดสิบคนอย่างมากไปกึงไหนละตอนตอนนี้เกรงนิดนิดค่ะแต่เมื่อวานนี้ตอนทีเด็ดหลังนะคะที่อยู่ต่อนหน้าหลวงพ่อแท้ๆเลยะะ่ะยังนับสองเลยหลวงพ่อจนกระทั่งนึกได้เอ้ยนี่นับสองะะถึงบาลงอะไรคือคือเมื่อวานนี้ตอนทีเด็ดหลังนะคะอยู่ต่อนหน้าหลวงพ่อะคะ่ะ นูนับสองนะคะมันมีการนับสองอ่ะไม่ไม่ยอมนับหนึ่งอ่ะแล้วก็ น, นึกขึ้นได้ว่าอุ้ยนี่นับสองเนี่ยพอพอออกจากนับสองได้แนะหลวงพ่อว่ามันทุกข์เหลือเกินเมื่อกี้นี่ทุกข์มากเหลือเกินดิ้นรนอยู่นั่นเองไงก็อย่าไปดิ้นมันสิ <c oughs> ความทุกข์ไม่มีใครทําให้นะทําเองจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรการปฏิบัติอนะวางสถานะเราให้ถูเมื่เราเป็นนักเรียนนักเรีย น, นสอบได้บ้างสอบตกบ้างไม่เป็นไร เรียนไปเรื่อยๆอย่าเลิกกัแล้วกันค่ะมีบันไดเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้ก็พ้นทุกข์ได้ก็ฝึกไปนี่แหละมาครับก็กา ร, ร, ราช่วยแนะนำนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตึย่นเลยเราอะไรวัดเหรอว่าไม่ตื่นนะกเวลา ทุกทีแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็จะรู้สึกว่าจิตมันแบบเหมือนไม่เห็นไม่อะไรเลยครับจิตมันทำอะไรนะเหมือนกับวันนี้ครับอ๋อ แ, แล้ววันนี้เห็นไหมไม่เห็นนะรู้ไหมว่าไม่เห็นนั่นแหละรู้ลหละบางวันนะเราดูอะไรไม่ออกเลยงงไปหมดเลยนะรู้สึกงง ง, ง, งรู้สึกดูไม่รู้เรื่อง รู้ว่ากำลังดูไม่รู้เรื่องนั่นแล้วก็รู้ทันตัวเองแล้วนะมันเส้นผมบางโพเขานิดเดียวเงั้นไม่ใช่ว่าทุกวันจะต้องรู้ได้ชัดบางวันจะชัดบางวันไม่ชัดเป็ น, นเรื่องธรรมดานี่ถึงแต่ ว, ว่าพอเราวันไหนใจเราวุ่นวายเราดูไม่รู้เรื่องเราไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจอย่างนี้ก็ถือว่าดูได้ละ ไม่จําเป็นต้องรู้สภาวธรรมได้ชัดทั้งหมดหรอกสภาวธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นมาไม่ชัดทําให้เราสงสัยว่ามันเป็นยังไงนะถ้ารู้ว่าสงสัยนละ้วก็คือรู้สภาวะธรรมชัดอ่ะแต่รู้คนละตัวกันแล้วสภาวธรรมอันที่หนึ่งเกิดขึ้นอะไรก็ไม่รู้งงๆสภาวธรรมอันที่สองคือความงงเกิดขึ้นเรารู้ว่างงรู้แล้วนะ ไม่รู้โลกปัจจุบันแต่ไม่ต้องรู้ทุกตัวชัดๆดเท่ากันหรอกพอเข้าใจไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสภาวะธรรมนะั้นเกิดตลอดวันเกิดตลอดเวลาเกิดตลอดชีวิตแหละแต่แต่ว่าบางอันเราไม่รู้จักเราก็เห็นว่าตอนนี้ไม่มีสภาวะให้ดูอันไหนเรารู้จักเราเพราะว่ามีสภาวะให้ดูสภาวะบางอย่างเช่นมันว่าง ถ้าเราไปเห็นว่างเราก็คิดว่าตอนนี้ไม่มีอะไรให้ดูเพราะว่าว่างมันจริงว่างนั่นแหละเป็นสภาว ะ, ะแสดงไตรลักเหมือนกันนะดูแล้วไม่รู้เรื่องเกิดความงงงงแน่เป็นสภาวะแล้วเรารู้ว่างงก็ถือว่าเราปฏิบัติแล้วในตอนที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ปฏิบัติตอนที่รู้ขึ้นมานี้ก็ได้ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนหรอกได้แค่แนวแค่นั้น ไปแล้วมันรู้จักสภาวะมากเข้ามากเข้านะก็ตื่นมากขึ้นมากขึ้นพอเข้าใจไหมกําลังไปคิดอยู่ทราบไหมเนื้อรู้โลกปัจจุบันได้แตยแอบไปคิดก็รู้ทันมันตอนนี้ใจทําอะไรเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้ทําอะไรอยู่มม ไ, มไม่ต้องทันนะให้รู้ตามหลังไม่ใช่ให้รู้ให้ทัน การดูจิตดูใจไม่เหมือนดูกายดูกายดูลงเป็นปัจจุบันแต่ดูจิตนี่ดูตามหลังเพราะฉะนั้นอย่างอะไรเกิดขึ้นมาเช่นใจเผลอไปเผลอไปห้านาทีแล้วรู้ว่าเผลอก็ยังใช้ได้ไม่มีอารมณ์เหมือนมาขั้นสะกด อ, อย่างนี้ใช้ได้มีอะไรไหมไม่มีครับจะ ม, มีความงงอะไะรู้สึกไหมงง อ, อรู้ว่างงสิเนี่ยรู้ทันตัวเองเรียกว่าปฏิบัติแล้วตอนนี้มีอะไรไหม <c oughs> กําลังเที่ยวหาอยู่ทราบไหมเ อ, อ่อเนี่ยมีสภาวะของการหาใช่ไหมถ้หาหัดรู้อย่างนี้นะจะรู้ลงปัจจุบันไม่มีหรอกที่ไม่มีอะไรอะ่ะว่างว่างไม่พูดถึงเลยนะทําอะไรจิตว่างจิตว่างจิต ว, ว่างไม่มีหรอกจิตมีแต่ต้องมีประกอบด้วยสภาวะอันนันหนึ่งเรื่อยๆ แต่ทั้งว่างก็เป็นสภาวะเยเมื่อกี้ทําอะไรกำลังนึกครับเออห น, นีไปคิด เ, เห็นไหมเริ่มดูสภาวะได้ละติดไปคิดติดไปคิดรู้ว่าไปคิดนะทําอะไรอีกแล้วใจลอยรู้สึกไหมใจหนีแวบแปะรู้ว่าหนีแวบไปะเห็นไหมสภาวะมีตลอดนะไม่ใช่ไม่มีส่งต่อไปพ่อพาดูเป็นตัวอย่างนะได้คนละนิดนิดหน่อยหน่อย จริงแมมอยากจะอบกุ้มพาไปมรรคผลนิพพานให้หมดโลกเลยนะ <c oughs> มันไปไม่ไหว <c oughs> ตั้งแต่เช้ารู้สึกมันห่อเหี่ยวเจ้าค่ะหลวงพ่อเออจริงจริงมันห่อเหี่ยวมาแต่เมื่อวานนเจ้าค่ะแล้วแล้วทำไงดีแล้วก็ดูเจ้าค่ะไปดูแล้วบางทีก็สลับกับความกังวลเจ้าค่ะเออนะรู้โลงปัจจุบันจิต ใ, ใจห่อเหี่ยวเป็นปัญหาไหมไม่มีปัญหา คิดใจห่อเดี่ยวก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งพอใจไม่ชอบมันรู้ว่าไม่ชอบก็ถือว่ารู้เรียบร้อยแล้วรู้ลงปัจจุบันได้แล้วแค่นี้จะค่จะไปห่อเหี่ยวมันทำไมเสียวเวลาที่ผ่านมาพยายาอดูความุกปตัวกายค่ะว่าเป็นทุกข์เป็นก้อนธาจะแต่พอทุกข์เกิดขึ้นจริงๆแล้ว กว่าจะตามรู้โดยทีอีกหลายวินาทีไม่เป็นไรหลายวินาทีใช้ได้นะชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้ก็ยังใช้ได้ดีกว่าไม่รู้เลยเมื่อหลายวินาทีแล้วรู้ก็ถือว่าเก่งแล้วแต่หข้อบอกต้รู้ทันทีทใช่ไหมคะทราอรู้เท่าที่รู้ได้เพราะเราสั่งไม่ได้ว่าจงรู้เดี๋ยวนี้สั่งไม่ได้นะเป็นอนัตตาที่คุณแต้มทําอยู่ถูกต้องแล้วนะถึงแม้ใจเราโปร่งโล่ ง, ลงไปหมดแล้ว ใจเราโตรง่งโล่งเบาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ได้ทำอะไรรู้สึกแม้ใจอยู่ห่างๆใจเป็นคนดูที่แสนจะมีความสุขความสบายภาวนาอย่างนี้ใช้ได้แล้วจะเอาอะไรยิ่งกว่านี้ก็มีแต่แค่นี้แหละธรรมะเข้ามาเข้ามาผล น, นิพพานมันเกิดเองเกิดเ ง, เ, งเราทำให้เกิดไม่ได้ไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะไม่มีหรอกในโลกนี้ งงไหมวิชอะไรชื่ออะไรลืมแล้วบูชาเอาอจะไปเรียกวิชาวิชามาเมื่อวานวันนี้บูชามามจริงๆแล้วไม่มีใครทําจิตให้มันรู้มรรคผลนิพพานได้หรอกจิตเขาบรรลุของเขาเองเขาบรรลุของเขาเองได้เพราะเขามีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นพวกเป็นอนาาัตตาเขามีปัญญาได้เพราะเราพาเขาดูกายดูใจเรื่อยๆ มันเหมือนจิตมันเหมือนลูกเรานะเราไปเรียนหนังสือแทนลูกไม่ได้เราส่งลูกเข้าโรงเรียนได้จิตนี้เราให้การเรียนรู้เขาได้แต่เขาจะฉลาดสอบผ่านไม่ผ่านเนี้ยเราสั่งไม่ได้อา้าดาวก็ยังมีน้ำหนักอยู่ค่ะน้องอนั่นแหละไปให้คุณแต้มสอนว่าทายังไงทำไมใจเขาไม่มีน้ำหนักใจเรามีน้ำหนัก เออไปเรียนเอานะอยู่ใกล้ๆ ก, กันได้ทุ่นเวลาหลวงพ่อมันแตมดีแล้วนะรู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจสักอย่างเนี้ยครับที่ทำให้เศร้าหมองนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่ต้องรู้หรอกนะเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองอยากหายรู้ว่าอยากหายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังไง น, นไม่ต้องค้นคว้านะเราไม่ต้องการคนเก่งเราต้องการคนที่รู้อะไรซื่อ อะไรเกิดขึ้นร่วมไปซื้อๆไม่ต้องเก่งก็ได้อย่าไปอยากหายนะ่เจ้าหมองก็เพราะเราปรุมขึ้นมาเองเผลอแล้วรู้สึกไหมการส่งไมโครโฟนขาดสตินะคือคือขนาดนี้ครับคือนั่งๆฟั ง, ง, งทำอย่างนี้จิตก็มีความสงบปีแต่ก็จะมารู้อยู่กพระพวกลมหายใจแล้วก็เกิดคว้องตดขัดใ น, น, นในใ น, ใ น, ใ น, ในตัวอยู่ตลอดเวลาครับ เมือการ น, นีเป็นผลเป็นวิบากมีการกระทำกรรมก็เลยมีวิบากกรรมสำคัญก็คือการที่เราคอยบังคับตัวเองเวลาพวกเราคิดถึงการปฏิบัติเราอยากปฏิบัติความอยากปฏิบัติเป็นกิเลสก็เกิดการปฏิบัติสิ่งที่เราปฏิบัติก็คือการเพ่งจ้องเราคอยจ้องกายจ้องใจการบังคับกายการบังคับใจเป็นตัวกรรม วิบากเขาเกิจขึ้นคือมันหนักหนักขึ้นมาแน่นๆ่นเป็นทุกข์ขึ้นมาแน่นนครับแล้วก็มีความสึกบอกว่ามันก็เลยมางมองที่กายแล้วก็มีความสึกมันไม่กายมองมอกายไม่มีความสุขกายมันก็ไม่เคยมีความสุขอ่ะใช่สขกายไม่มีความสุขใจไม่มีความสุขถ้าดูไปนะกายก็ไม่มีความทุกข์ใจก็ไม่มีความทุกข์นะสังเกตให้ดีสีแรกสลวงพ่บอกบางคนบอกดูลงไปสกายนี่มีความทุกข์บีบคั้น แต่ถ้าเราดูได้ประณีตลึกซึ้งเข้าอีกเราจะเห็นเลยกายก็อันหนึ่งนะความทุกข์ก็อันหนึ่งกายไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์กกใจก็ไม่ทุกข์นะความทุกข์ก็เป็นสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นความทุกข์ไม่ใช่ทั้งกายทั้งใจคือขณะนั่งปฏิบัติเนี่ยสมมติบางทีนั่งกายก็มีความสงบดีแต่ทีนี้บางทีกาย ก, ก็เกิดความอาการเกร็งมั่งหรือ อะไรมังแต่ใจแต่ถ้าเราเราดูที่กายเราจะเห็นว้ากายเก่งอยู่ตลอดหรือว่ามีการแบบอาจจะปวดเลยแนตะ่เราเป็นจิเราไม่ได้สงสัยเราก็ไม่ได้ใส่ใจตรงกายนะแต่กายก็มีการแบบเกล็งแล้วก็มีการแบบว่ายังไงมันมันปวดมันเนจ็บแต่กายก็ไม่ใจก็ไม่ได้สนใจกับกายแต่กายมันก็ไม่มีความสุขมันก็เลยทําให้ใจดูไม่ค่อยมีความสุขในความเป็นจริงนะกายหรือใจเนี่ยมีความสุขไปไม่ได้หรอก ทั้งกายทั้งใจเป็นขันห้านะทั้งกายทั้งใจเนี่ยมีความสุขไปไม่ได้เพราะขันห้าเป็นตัวทุกข์เป็นความไม่รู้ความจริงการที่เราไม่ยอมรับความจริงว่ากายกับใจมันจะต้องทุกข์เราไม่ยอมรับความจริงเราก็อยากให้มันมีความสุขก็อยากให้มันมีความสุขใจเราก็ดิ้นรนที่จะหาความสุขคนทั่วๆไปดิ้นรนไปหาอารมณ์ทางโลกพวกเรานักปฏิบัติก็ดิ้นรนบังคับตัวเอง เพ่งกายเพ่งใจเช่นใจของเราจะหนีไปชิดเราไม่ชอบเราน้อมให้มันมาเกาะอยู่ที่ลมหายใจจงใจไปเกาะไว้กับลมจงใจนี้เดียวนะมันจะแน่นขึ้นมานะนจะทุกข์ขึ้นมาเพรฉนถ้าเรารู้กายรู้ใจจริงๆไม่เข้าไปแตะต้องเขาเลยนะรู้จริงๆไม่แตะต้องเขาสักนิดเลยรู้อย่างที่เขาเป็นโดยที่ใจเราไม่เข้าไปแตะต้องเขาเนี่ยความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นที่ใจเรา แต่ขันเนี่ยยังไงก็เป็นทุกข์ทำให้เป็นสุขไม่ได้เพราะเราไม่รู้ความจริงตัวนี้เราพยายามดิ้นรนที่จะฝืนธรรมดาธรรมดากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาล้วอยากให้เที่ยงอยากให้สุขอยากบังคับให้ได้แก่ของเรานี้แหละปฏิเสธธรรมะแต่ว่าต้องค่อยๆฝึกนะฝึกนานๆแล้วจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกอย่างตอนนี้จิตของเรายังคุ้นเคยที่จะบังคับ ทันทีที่บังคับมันก็อึดอัดขึ้นมาแน่นหลวงพ่อก็เป็นนะแต่ก่อนเป็นโดยอัตโนมัตินะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะคือเราเกิดอยากปฏิบัตินี่เป็นตัวกิเลสก็ อ, อยากปฏิบัติเราก็เกิดการปฏิบัตินี่เป็นการกระทำกรรมการปฏิบัติเช่นจงใจไปดูกายจงใจไปดูลมหายใจจงใจไปดูหาเที่ยวสแสวงหาจิตจงใจทํานี่คือตัวกรรม วิบากจะเกิดทันทีจิตจะหนักหนักแน่นๆแข็งแข็งขึ้นมาทันทีมีกิเลสมีกรรมแล้วก็มีวิบากเคยได้ย hmm. oh. ินไหมคําเนี้สามคานี่เลยรวมเรียกว่าไตรวัตไตรวัตตะวัตตะทั้งสามมีกิเลสมีกรรมมีวิบากมีกิเลสคืออยากปฏิบัติมีกรรมก็คือจงใจไปดูกายจงใจไปดูจิตมีวิบากก็คือแน่นแน่นขึ้นมาลำบากตัวแน่นแน่นตัวนี้แก้ไม่ได้เพราะเป็นวิบาก เรจะวางจิตไว้ยังไงครับวางจิตเหรอวางจิตอย่างเป็นกลางใจมันแน่นขึ้นมาอย่าไปเกลียดมันนะถ้าจิตไม่ชอบจิตอยากให้หายแน่นให้รู้ทันว่าจิตเราอยากให้หายแน่นจิตไม่เป็นกลางในที่สุดจิตจะเป็นกลางกับทุกๆสภาวะสุขทุกดีชั่วเกิดขึ้นนะจิตก็เป็นกลางถ้าจิตเข้าถึงความเป็นกลางเนี้เราจะพัฒนาต่อไปได้อีกถ้าจิตไม่เป็นกลางจิตจะดิ้นไปเรื่อยๆยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ มีความรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นะครับก็คือปิตก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรก็้หลาก็คือแน่นก็คือรู้แน่นก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติก็ไม่ได้ไม่เรายังไม่ได้ติดจัดการต้นเหตุของมันเรายังไม่เห็นความจงใจปฏิบัติเพราะฉะนั้นความแน่นไม่หายหรอกเรายังทําเหตุอยู่ผลก็ต้องมีอยู่นะศาสนาพุทธท่านสอนเรื่องเหตุกับผลต้อง เ, เคยปฏิบัติแบบแบ บ, แบบแบแบบตามรู้ตามคิดนะครับของพ่อพุณธนะทีคือเราจะคิดอะไรเราก็จะตามรู้ตาม รู้อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ <ไป S 2> รู้สิรสเราพอพูดเลยอ๋อไม่ฮก็คือก็คือเคยปฏิบัติตามที่ท่านสอนนะฮะก็คือแล้วทีนี้เอ่อก็คือเราก็คิดรู้อะไรก็รู้ตามนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้มื่อบางทีไอ้การที่เราคิดแล้วเรารู้ตามทันแต่เราก็จะลืมไอ้ปัจจุบันที่เราทําอยู่่ะเพราะใจมันไปอยู่กับความคิดไอ้ตรงนี้เราจะปฏิบัติยังไงครับให้รู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะ อย่างหลวงพ่อพูดสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพุทธจิตให้มีสติตามรู้ไปทั้งสอนอย่างนี้นะท่านไม่ได้สอนว่าให้ไปรู้เรื่องที่คิดนะคนทั่วทั่วไปรู้แต่เรื่องที่คิดไม่รู้ว่าจิตแอบไปคิดเพราะฉะนั้นคุณเอาหัดสังเกตนะอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อนิดนึงเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังแล้วไปคิดดูออกไหมฟังสลับกับคิด ตรงนี้ดูได้ไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปไมันก็ได้คิดเลครับอะไรนะดูตอนนี้ไม่เคยได้คิดเลือฟังอย่างเดียวคล้วเรารู้เรื่องไหมเออถ้ารู้ว่าแสดงว่าคิดพราะฟังแล้วถ้าไม่คิดนะจะไม่รู้เรื่องเลยในความเป็นจริงแล้วเราฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องหรอกเสียงก็ทบโผลเนี่ยมันไม่มีคําแปลแต่เข้าใจของเราไปคิดแใจของเราไปแปละนะเราก็ได้รู้เรื่องขึ้นมา บางทีอย่างเราได้ยินเสียงอะไรแววแวแวใจใเราเฉยเฉยนะหันไปดูอ้ออินังคนนี้กําลังด่าเราอยู่เนี่ยพอเราแปลได้ว่าอินังนี่ด่าเรานะโทษาก็เกิดม้นั่นอาศัยการที่เราไปแปละนใะส่าการที่เราไปคิดมนะันลําพังเสียงกระทบหูนะใจเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่พอแปลได้เนี่ยก็เกิดความยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นในขณะที่เราฟังจริงๆเนี่ย ไม่มีใครหรอกที่ฟังอย่างเดียวมีแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดตั้งแต่เด็กๆนะเราฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปสลับกันตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นเราคิดว่าเราฟังอย่างเดียวค่อยๆหัดนะหัดสังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคุยกับคนอื่นๆคุณลองสังเกตดูนะว่าเดี๋ยวคุณต้องมองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็ไปคิดสิ่งที่หลวงพ่อพูด บางทีก็คิดไปคิดมาเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็มีให้รู้ทันใจที่มันคิดนะใจไปฟังก็รู้ใจไปคิดก็รู้หัดอย่างนี้นะเดี๋ยวลองลองดูอย่างนี้ก่อนนะครับ พ, พอมาฟังหลวงพ่อแล้วรู้สึกเหมือนต้องบังคับตัวเองให้คอยมีสติไม่ไม่สติไม่ได้เกิดจากการบังคับเนีย่ยบังคับนะเรียนกับหลวงพอ่อเรียนอย่างสบายทําตัวให้สบายที่สุดเลยนะ ถ้ารู้สึกว่าลงไปนอนแล้วสบายได้หลวงพ่อก็ไม่ว่านะอืมไม่ต้องนั่งสวยๆนั่งท่าไหนก็ได้นั่งยองๆก็ได้นั่งกอดเข่าก็ได้หลวงพ่อไม่สนใจเลยแต่เพราะนั้นทำตัวให้สบายที่สุดนะแล้วก็ค่อยๆฟังไปฟังแล้วหัดสังเกตสภาวะไปนะฟังหลวงพ่อพูดไม่ใช่เพื่อจะให้รู้ธรรมะธรรมะถ่ายทอดไม่ได้ด้วยการฟังด้วยการพูดนะอย่างหลวงพ่อพูดธรรมะนี่มันธรรมะเฉพาะตัวของหลวงพ่อ เราฟังแล้วมันไม่ใช่ธรรมะของเราธรรมะของเราเราต้องเห็นของเราเองฉะนั้นมาที่หลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องไม่จําเป็นเลยฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าฟังเพื่อหัดสังเกตสภาวะสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยคุณเสื้อเหลืองเห็นไหมใจหนีแวบๆสองสามจีต่อกันดูออกไหมเนี่ยหัดสังเกตสภาวะอย่างนี้มาเรียนที่หลวงพ่อมานั่งอยู่ด้วยกันชั่วโมงกว่าๆเนี่ยมาหัดสังเกตสภาวะ ใจิตใจของเราเดี๋ยวก็วบแวบวบแว๊บไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โสงสยัยเดี๋ยวก็ขำข ำ, ขำลลวงพ่อพูดให้ตลกก็ขำขำขึ้นมานะพอหลวงพ่อพูดธรรมะจริงจังขึ้นมาก็ชักเกเครียดเครียดเนี่ยให้คอยดูใจที่เปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นมานั่งตรงนี้มานั่งคอยดูใจที่เปลี่ยนแปลงมาหัดตรงนี้พอหัดตรงนี้ได้กลับบ้านก็ภาวนาเป็นใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนออก เช่นเราขับรถไปนะา็ปาดหน้าโมโหแล้วแต่เดิมไม่โมโหตอนนี้โมโหคนทั่วไปพอโมโหก็จะไปดูคนที่ทำให้โกรธไปดูให้คนที่ขับรถปาดเราบดแรด่ามันบ้างด่าด้วยวาจาบ้างมันไม่ได้ยินหรอกนะไอคนข้างๆอะได้ยินนะคนทั่วไปทำอย่างนั้นแต่นักปฏิบัตนะิเนี่ยพอโกรธนะเห็นใจตัวเองที่กาลังโกรธนี่หัดดูอย่างนี้นะ เพราะง้นมานั่งฟังหลวงพ่อพูดแล้วงงรู้ว่างงเนี่ยหัดดูใจตัวเองไปถ้าหัดอย่างนี้ไม่นานจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแต่ถ้ามานั่งฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์ใหญ่เลยหาเหตุหาผลจากคําพูดของหลวงพ่อพยายามทําความเข้าใจไม่เข้าใจหรอกธรรมะรู้ไม่ได้ด้วยการฟังมันไม่ใช่ปัญญาระดับที่ใช้การฟังเราธรรมะเรารู้แจ้งด้วยภาวนาเมปัญญาด้วยการีสติ ไม่ใช่ด้วยจินตาไมยะปัญญาด้วยการฟังด้วยการคิดเนี่ยจินตานี่ยคือการคิดสุดตาไมยะปัญญาด้วยการฟังรู้สึกไหมตอนส่งไมล์เนี่ยลืมตัวเองหัดอย่างนี้นะรู้จักแล้วใช่ไหมลืมตัวเองเป็นยังไงนั่นแหละมาเรียนกับหลวงพ่อเรียนเอาเอาตรงนี้ให้ได้เนี่ยใจเราลอยไปเราลืมตัวเองไปเรารู้ทันเนีย่ยคุณผู้หญิงผู้ชายนะนะนะั้นอ่ะะเบอร์ยีิบเจ็ดกับคุณผู้ชายที่นั่งติดกัน่ะ พราเขาส่งใหม่ไปทางนี้เราก็หันไปดูเขาถึงนี้เราลืมตัวเราเองเรามาฝึกเพื่อจะรู้ทันตัวเองนะรู้ทันกายรู้ทันใจจิตใจเราวิ่งตามไปดูเขาแล้วเร า, ารู้ทันจิตเราวิ่งไปคิดแล้วเร า, ารู้ทันฝึกให้รู้ทันสภาวะนั่นเองนะไม่ใช่ฝึกเอาดีเอาวิเศษอะไรหรอกเนี่ยแถวที่สามเนี่ยใจลอยไปละวเอาคุณนี้ชื่ออะไรละ่ะ เอ็ดเอ็ดดีเอ็ดี้เมื่อกี้ใจลอยสราบไหมเมื่อกี้ปิดจิตเริ่มบังคับตัวเองนะทราบไหมพอบังคับแล้วมันจะแข็งแข็งชื่อชื้นขึ้นมาให้เรารู้ทันตัวเองไม่ใช่ให้บังคับตัวเองรู้ทันตัวเองเนี่ยจะตั้งใจมันไปบังคับตัวเองจนแข็งแข็งหรือว่าไปบังคับตัวเองจนแข็งก็ใช่ได้ก็คือว่ารู้ตัวเองเหมือนกัน เพราฉะนั้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้ให้เราตามรู้ลงเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะเห็นเลยจิตนี้ไม่เที่ยงจิตทํางานได้ทั้งวันอันนี้ดูออกไหมจิตทํางานทั้งวันนะทั้งคืนด้วยแล้วก็มันจะทํางานปรุงดีปรุงชั่วอะไรเราเลือกไม่ได้เขาทํางานของเขาเองเราเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้จนใจยอมรับสิ่งเหล่านี้พอใจยอมรับเลยจิตนี้มันทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนมันไม่เที่ยง จิตนี้เราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกเราก็เลือกเอาดีไปหมดเลยเลือกเอาสุขไปหมดเลยนี่เราเลือกไม่ได้พอเห็นความจริงอย่างนี้ใจก็เข้าใจธรรมะแล้ธรรมะก็คือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าใจอย่างเนี้ใจจะค่อยคลายความยึดถือกายยึดถือใจออกไปเรียกเป็นวิธีที่เราจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจได้คือการเห็นกายเห็นใจมันเป็นไตรลักษณ์นั่นเอง มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงพอคลายความยึดถือกายยึดถือใจความทุกข์ก็ล่วงลดไปทุกวันนี้เราทุกข์เพราะเราไปยึดอยู่ที่กายที่ใจกายกระใจตัวมันเองก็เป็นตัวทุกข์นะกายกระใจนอกจากเป็นตัวทุกข์แล้วยังเป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยสังเกตไหมความทุกข์ตั้งอยู่ที่กายความทุกข์ตั้งอยู่ที่ใจถ้าวันใดเรารู้ความจริงของกายของใจนะว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันจะปล่อย มัจะปล่อยความยึดกายยึดใจก็เท่ากับเราปล่อยตัวทุกข์ทิ้งไปนั่นนี่ใจก็เข้าถึงสันติสุขใช่ไหมสันติสุขนี้ไม่ได้เกิดจากการทําให้ถึงนะแต่เกิดจากการรู้ความจริงของกายของใจจนปล่อยได้แล้วพ้นทุกข์มีความสุขขึ้นมาดงนั้นความสุขนี้ไม่ได้เกิดจากการเราไปทํามันขึ้นมานี่พวกเรานักปฏิบัติส่วนใหญ่เราคิดว่าทํำยังไงจะถูกนะทํำยังไงจะดีทํายังไงจะได้มรรคผลนิพพานเราคิดว่าทําได้ จริงๆทาไม่ได้มาผลนิพพานมาเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเมืเรารู้ความจริงของกายของใจละ ว, วางเขาได้ละวางได้มันหมดภาระมันพ้นทุกเนี่ยพนทุกเพราะเหตุนี้สัง เ, เกตไหมเราจะไปบังคับแล้วจะจงใจดูแลทราบไหมเมื่อกี้เริ่มจะจงใจแล้วจะให้ให้ใ ห, หัสรู้สภาวะไปได้เราจะเห็นว่าเขาทํางานเขาเองเช่นเขาจะจงใจปฏิบัติเขาจงใจของเขาเอง เขาจะโกรธเขาก็โกรธของเขาเองเขาจะโลภเขาก็โลภของเขาเองเราดูไปจนวันหนึ่งแจ้งเลยมันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมีแต่ธาตุขันธ์ที่ทํางานไปเรื่อยๆเท่านั้นเมื่อกี้ใจลอยแวบหนึ่งทราบไหมเอบลอหายไปแวบหนึ่งดูไปเขาจะหายไปก็ห้ามเขาไม่ได้เรียนจนเห็นว่าห้ามไม่ได้ไม่ใช่เรียนจนบังคับได้นะเรียนจนเห็นเลยบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ แล้วใจปล่อยวางใจปล่อยวางมีความสุขรู้สึกไหมใจเกิดมีความสุขขึ้นมาดีนะค่อยๆเรียนเรียนกับหลวงพ่อไม่เก็บค่าเล่าเรียนนะเรียกร้องอย่างเดียวอดทนนะทนทนเข้าไว้เพราะว่าเราต้องฟังสิ่งซึ่งไม่คุ้นเคยเราเคยได้ยินแต่ว่าให้ทําอย่างนั้นสิแล้วจะดีให้ทําอย่างนี้แล้วเราจะดีหลวงพ่อกับสอนบอกว่าเราไม่ได้เอาดีนะแล้วก็อย่าไปทํามันไม่มีอะไรที่เราทําได้ตามใจชอบหรอก สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุของเขาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฟังยากเข้าใจยากมันฝืนความรู้สึกเพราะเราอยู่ในโลกเราถูกอบรมสั่งสอนมาว่าต้องทุ่มเทเข้าไปเข้าไปจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เนี่ยติดนิสัยฝรั่งมานะพนตะวันออกแต่ดั้งเดิมเนี่จะอ่อนน้อมกับธรรมชาติไหว้มันหมดนะต้นหมากรากไม้น้ําท่าอะไรไหว้มันบมดเะนะอ่อนน้อมฝรั่งมันคิดแต่จะเอาชนะ เอาชนะจะเข้าไปจัดการโลกทั้งโลกให้ได้จัดการจักรวาลให้ได้ยิ่งดีคิดแต่จะเข้าไปทำนี่พวกเราก็เรียนแบบตะวันตกมานานแล้วเราเริ่มคุ้นเคยที่จะเข้าไปจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ตามใจชอบสังเกต ด, ดูสิจัดการเศรษฐกิจมาทำได้ไหมพัฒนาเศรษ ฐ, ฐกิจมาตั้งแต่ศูนยสี่ใช่ไหมหายยานาเป็นหมวดแล้วท ร, รัพยากรทำอันนี้เสีย น, นี้ไป พุ่มลงไปกแก้ยังงี้เสียอันนี้ไป อ, อยากได้ผลผลิตเยอะๆเ พ, เพิ่มการผลิตเพิ่มการผลิตเข้าไปแล้วใครสบายบ้างใครมีความสุขบ้างแต่เดิมหลวงพ่อสมัยก่อนนะเคยดิสคัชกันบอกแต่ก่อนชาวนาทําทนาปีละครั้งทําไมมันพอกินเดี๋ยวนี้ทําปีละสามครั้งทําไมมันไม่พอกินเมื่อมันเกิดอะไรผิดขึ้นมาแต่ก่อนคนไม่ค่อยมีสตังแต่มีความสุข มีอยู่มีกินมีสุขเดี๋ยวนี้มีสตังค์แล้วมีความสุขไหมบางคนไม่มีเวลาจะใช้สตังค์นะมีบ้านหลายๆ ห, หลังมันอยู่ได้จริงหรือเปล่ามันถูกหลอกตลอดเลยนะแต่ว่าถ้าเราค่อยๆมาเรียนรู้นะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจ้ส่วนเกินพวกนี้จะหายไปชีวิตเราจะไม่เหนื่อยเท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้เราต้องเหนื่อยมากนะดิ้นรนทํามาหากินมากมายเนี่ยเพื่อจะไปหาส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอกเยอะแยะเลยอย่างเราต้องมีรถหลายๆคันนะ จริ ง, รงเวลานั่งมันนั่งได้คันเดียวใช่ไหม่เอาขาไปข้างหนึ่งเอาแขนไปนั่งอีกคันนึงนะจริงมันก็แค่นั้นแหละหรือเราไปหาสิ่งที่เป็นส่วนเกินมากมายเพราะว่าความอยากมันหลอกเราสังคมมันก็หลอกเตะหลอกให้มีแต่ความอยากมากขึ้นมากขึ้นจะได้ซื้อเยอะๆจะได้ผลิตให้มากผลิตมากทรัพยากรใช้มากใช้จนเกินจำเป็นก็ใช้อย่างฟุ่มเฟือยหายนะมน หายหมดนีพัฒนาแบบหลวงทางละในหลวงเก่งนะให้พอเพียงน่ารักมากในหลวงนี่พวกเราชาวพุทธนะเรารู้จักประมาณครูเจ้าสอนมาตลอดนะรู้จักประมาณฝรั่งมันไม่ไม่รู้จักประมาณนะสมัยก่อนมันรู้สึกมีตัณหาขึ้นมาถ้าสนองตัณหาได้จะมีความสุขนี่ตัณหาเนี่ยมีธรรมชาติโตไปเรื่อย ได้แค่นี้นต้องการแค่นี้ไม่เต็มพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เรามารู้เท่าทันกายใจของเรานะมันจะจํากัดความต้องการลงมาเหลือเท่าที่จําเป็นเราก็จะมีส่วนเกินแล้วครนี่แต่เดิมเคยคิดว่าไม่พอไม่พอนะแต่ถ้าเรารู้จริงๆว่าชีวิตเราต้องการแค่นี้มันจะเหลือส่วนเกินเยอะแยะที่จะเจือจานให้คนอื่นได้วิถีของชาวพุทธวิถีของตะวันออกนะั้นไม่ได้เหมือนอย่าง ฝั่งนะเขาแข่งกันบริโภคนี่พวกเราต้องตั้งสติให้ดีนะตั้งสติให้ดีไม่งั้นพอนเศรษฐกิจสุดลงไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะคลุ้มใจตายค่าตัวตายต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีฝึกดูจิตดูใจของเราไว้นะดูใจของเราอย่างทิตินาสนี่มีตัวอย่างวันหนึ่งรัฐบาลปล่อยเงินบาทลอยตัวนี่เพิ่มเป็นร้อยล้านเลยนนะ สามีตายถูกยึดทรัพย์ถ้าทั่วทั่วไปก็เป็นบ้าไปฆ่าตัวตายไปแต่คนมีธรรมะนะสังเกตอยู่ที่ใจของตัวเองจริงๆชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรเยอะอย่างที่เราเคยมีเคยเป็นหรอกดนั้นเราอยู่ได้ถ้าอยู่ตามความจําำจำเป็นแล้วอยู่ได้อย่างสบายคราวนี้จะมีส่วนเหลือด้วยมีส่วนเกินด้วยในชีวิตเรามีส่วนเกินเยอะนะ กลับบ้านไปไปสำรวจนะในตู้เสื้อผ้าเราเสื้อตัวไหนแล้วปีหนึ่งไม่เคยหยิบนะเอาไปให้คนอื่นได้เลยมันคงไม่ได้ใช้แล้วชาตินี้ไปสำรวจของในบ้านนะอะไรที่ไม่เคยหยิบเลยตานแล้วนะเอาไปให้คนอื่นถเถอะจะได้ประโยชน์ไม่ใช่เราห้ามไม่ได้บัญญัตินี่เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นพอได้กลิ่นเนี่ยถ้ารู้ว่าได้กลิ่นนี่ก็พอแล้วแต่ว่ามันรู้ด้วยว่าหอมพอมันรู้ว่าหอมมันตีความได้ว่าหอมใจมันชอบด้วยนี่เราห้ามไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปหยุดกระบวนการทำงานของใจไหนตอนไหนอตอนที่รู้ว่าหอมรู้ว่ากลิ่นกุหลาบกลิ่นมะลิเนี่ยเป็นบัญญัตแต่ถัดจากนั้น่ะ จิตยินดีพอใจขึ้นมารู้ว่ายินดีพอใจวิปัสสนามาอยู่ที่นี้ไม่ใช่เว้นมากหมายถึงขี้เกียจที่คลานะว่าภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างไม่เว้นบักนะการปฏิบัติแต่ว่าขาดสติไหมต้องขาดเพราะว่าอะไรเพราะการขาดสติเป็นความจริงของเราเรารู้ตามความจริงนี่ว่าใจเรายังขาดสติอยู่ เออเป็นอันเดียวกันไปก่อนนะถ้าจะแยกแยะต้องไปเรียนอริธรรมใจเนี่ยเป็นธรรมชาติดั้งเดิมเลยเวลาที่รู้อารมณนะ์นั้นจะรู้อย่างบางเฉียบเลยแต่จิตเนี่ยรู้อารมณ์แล้วชอบเข้าไปเสมย อ, อารมณ์ด้วยนี่พูดคร่าวๆนะพูดละเอียดลงไปเนี่ยใจมันเป็นจิตอยู่สามชนิดอะไรเงี้ยมก็พูดยาก ไม่ต้องเราดูจากของจริงปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมปฏิจจสมุปบาทเราเห็นจากของจริงเช่นเราได้ยินเสียงแล้วเราแปลได้ว่าเขาว่าเราใช่ไหมความโกรธก็เกิดขึ้นมาเราก็อยากไปทุบเขาเนี้ยปฏิจจสมุปบาท น, นั้นแหละมีผัสสะก็เกิดความรู้สึกเกิดความอยากขึ้นมาเกิดการยินรนของใจขึ้นมาการยินรนของใจเรียกว่าพบ เกิดตัวกูขึ้นมามีเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ชั้นอย่างนั้นชั้นอย่างนี้เวลาโมโหชั้นก็ตัวใหญ่รู้สึกไหมเออเวลาเฉยๆชั้นก็ตัวเล็กหน่อยมีความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นมาไปถึงไหนแล้วหลวงพ่อถ่อนใจนแล้วนะั้นรู้สึกไล่ทีละคนไม่ไปไม่รอดแล้วครับค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อนะครับพอดีพี่ชายชวนมาคือก็รู้สึกเกิดอิทธิเพราะว่า ปกติเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยจะเป็นคนมีภาระเยอะคื อ, อก็เอาธรรมะเข้าปลอบตัวเองแล้วนะฮะว่าก็ทําให้ใจมีสุขได้แต่ทีนี้อยากให้หลวงพ่อหรือสอนคําว่าภาระอะค่ะเพราะว่ามันในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าเราจะใช้คําว่าเหนื่อยเนี่ยแต่ไม่ได้เหนื่อยกับตัวเองเหนื่อยกับที่เราต้องดูแลทุกๆคนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําให้เราไม่มีเวลา เป็นบางครั้งก็มีความคิดว่าชีวิตเนี่ยมันมันไม่มีอะไรจริงๆเช้าก็ตื่นมาก็ทานหมดวันกลางวันเย็นอะไรเงี้ยก็ห ม, หมดวันเนีอย่างนี้ชีวิตเ่านั้นแหละธรรมะงั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ยังอยู่กับธรรมะนะชีวิตประกอบด้วยกายกับใจกายก็เป็นธรรมะเรียกว่ารู ป, ปรธรรมใจเป็นธรรมะเรียกนามธรรมฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังอยู่กับธรรมะเพียงแต่เราต้องสนใจมันหน่อย มีกรรมฐานอันหนึ่งที่เหมาะกับคนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโลกคือการดูจิตใจตัวเองการดูจิตตัวเองเนี่ยไม่ต้องทําสมถะก่อนก็ได้ไม่ต้องไปทําความสงบก่อนก็ได้ใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านใจเป็นสุขรู้ว่าสุขทุกข์รูวนะร้ว่าทุกข์นะสงบรู้ว่าสงบจิตใจของเราเป็นยังไงให้คอยรู้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นเราจะสามารถอยู่ในชีวิตประจํำวันได้ยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะดูละครสมมุติ ดูละครทีวีเห็นนางเอกสวยพระเอกหลอ่อใจเราชอบเนี่ยเรารู้ว่าชอบอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัตินะเรียกว่ารู้ทันใจตัวเองนะเห็นนางเอกถูกนางอิจชาแกล้งสงสารรู้ว่าสงสาร น, นี่ก็เรียกว่าปฏิบัตินะเห็นนางเอกโดนแกล้งมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งนะจนสาม0ี่สิบตอนแล้วยังโดนแกล้งไม่เลิกนะชักโมโหอีนี่โง่าถาวรชักโมโหนะพอโมโหรู้ว่าโมโหนี่ก็ปฏิบัตินะ เราเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้วันนี้เรียกให้ลูกมากินข้าวมันก็วิ่งมากินเลยนะเคี้ยวตุ้ยตุ้ยนะรู้สึกน่ารักรู้ว่าเรารักละอีกวันหนึ่งเรียกให้มากินก็ไม่กินนะชักโมโหไปลากตัวมากินเอาข้าวยัดปากคล้ายๆเขาเลี้ยงงูเคยเห็นไหมเขาเลี้ยงงูจับเอาชิมเอามือบีบนะเาชิมชิบเนื้อแล้วก็ยัดใส่บางทีเราก็ยัดข้าวใส่ปากเด็ก เด็มันไปอมไหมนีย่ยิ่งโมโหหนักเข้าไปอีกมันไม่ย่อมเคี้ยวไหมฝึกอยู่กับบ้านก็ทําได้กวาดบ้านก็ทําได้นะกวาดบ้านไปแล้วโอ้บ้านเราสะอาดมีความสุขรู้ว่ามีความสุขอย่างนี้ใช่ได้กวาดบ้านไปแล้วเห็นตรงนี้ก็มีฝุ่นซ่อนไว้ตรงนี้ก็ฝุ่นซ่อนไว้นะชักโมโหแล้วว่าทุกคนมาช่วยกันทําความสุกับปรกเราต้องมาทําความสะอาดคนเดียวนี่ชักโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยหัดดูความรู้สึกของตัวเองอย่างนี้นะทั้งวันเลยดูไป เราค้าขายก็ได้นะที่สุรินทร์นะเมื่อก่อนเนี้ยี่สิบกว่าปีก่อนมีแม่ค้าขายผักคนหนึ่งชื่อแม่สะเกียวแม่สะเกียวนี่ภาวนาเก่งมากเลยะผักแกสดนะแกก็สดชื่นนะผักแกเหี่ยวแกก็สดชื่นอีกนะเออแกไม่เหี่ยวตามผักขงแกแกขายผักแกขายผักแกก็ดูใจของแกไปเรื่อยนะคนมาซื้อเยอะแกดีใจแกก็ดูไปคนไม่มาซื้อเลยผักชักจะเหี่ยวเมืองสุรินทร์มัร้อนนะ เราผักแชกิเฉียวน้ำปลรมๆไว้นะโอ้กระบวนการวายใจแล้วไม่มีคนซื้อรู้รว่ากระบวนการวายนี่เขานั่งขายผักอยู่ในตลาดนะเขาดูจิตของเขาได้ลูกค้ามาต่อนะขอแถมนิดแถมหน่อยแถมให้เขาได้เขาดีใจไปเราก็ดีใจด้วยรู้ว่าดีใจอีกคนนึงต่อมากไปชักโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมขายผักก็ทําได้นะ ดังนั้นทำอะไรก็ได้สามารถจ ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจาวันได้ยกเว้นยกเว้นมีข้อยกเว้นพวกที่ทำงานที่ต้องคิตเนี่ยทำไม่ได้ทำงานที่ใช้ความคิดนะจะมาจะเจริญสติไม่ได้เพราะขณะนั้นต้องไปรู้เรื่องงานที่คิดแต่ว่าพอเราทำงานไปช่วงหนึ่งหรือว่าคนมาชมว่างานเราดีอนะไรเงี้ยเราดีใจเรารู้ว่าดีใจ เราทํางานของเราอยู่นะคนมาชวนคุยเราโมโหแล้วเราอยากทํางานเร็วๆโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยเราก็ปฏิบัติได้อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นการดูจิตดูใจของเรานะเป็นกรรมฐานที่ทําได้ในชีวิตประจําวันเหมอะกับคนในเมืองนะเหมอะกับพวกที่วุ่นวายกรรมฐานที่หลวงพ่อแนะนำใครอยากเรียนเรื่องกายก็แนะได้นะอืมหลวงพ่อก็เคยทําเหมือนกัน แต่ว่าส่วนมากพูดเรื่องจิตเพราะคนที่มาเรียนที่นี่คนเมืองส่วนมากเหมาะกับการดูจิตดูจิตนี่เหมือนกับมาทานฟาสต์ฟู้ดนะรวดเร็วได้ผลเร็วทันหูทันตาฟังหลวงพ่อพูดนะพอฟังเข้าใจจิตตื่นขึ้นมานะมีความสุขฉับพลันละวเไมไม่เห็นต้องไปนั่งสมาธิเนิ่นนานเลยศีลก็เกิดเองนะสมาธิก็เกิดเองจิตตั้งมั่นได้นะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นได้ทั้งวันเลยมีแต่ความสุข นั้นหัดไปนะหัดไปกรรมฐานที่หลวงพ่อเลือกมาสอนวันนี้เป็นกรรมฐานที่เรียนมาจากหลวงปู่ดูลสมัยก่อนยี่สิบปีก่อนเนี่ยไปที่ไหนที่ไหนเขาเรียนแต่เรื่องกายทุกสำนักเลยมีแต่สำนักที่สอนให้เรื่องกายพอไปหาหลวงปู่ดูลท่านสอนดูจิตไม่รู้สึกถูกใจดูกายนะมันเบื่อเพราะมันไม่ถูกจริตแต่คนไหนดูกายถูกจริตก็เรียนเรื่องกายนะไม่ใช่ว่าอันไหนดีกว่าอันไหน ไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดนะมีแต่กรรมฐานที่ดีที่สุดสำหรับเราแต่ละคนทางใครทางมันไม่เหมือนกันดอกตอนโน้นหลวงปู่ดูนะบอกหลวงพ่อบอกพระด้วยที่นั่งอยู่ด้วยกันหลายคนบอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองฉันพูดประโยคนี้นะพราะลูกฝีหันมามองหน้ากันนะไม่มีใครเชื่อสักคนเลยเพราะว่ามันจะรุ่งเรืองได้ยังไงไม่มีใครรู้จัก ทำไมท่านถึงคิดอย่างนั้นถ้าเรามองในแง่ปาฏิหาริย์ก็บอกแหมท่านรู้ว่าหนักกวนะแต่ถ้าเรามองแบบนักวิเคราะห์เนี่ยท่านประเมินสถานการณ์เก่งต้องว่าอย่างนี้เพราะต่อไปนี้คนที่ทํามาหากินด้วยการคิดนี่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆคนที่ทําไร่ทำนานี่มันน้อยลงน้อยลงคนที่ทํางานที่ต้องคิดวันๆทํางานแต่เรื่องที่ต้องคิดจะติดนิสัยชอบคิดเขาเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตต้องดูจิตนะ เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากส่วนพวกปันหารจฉรลี่ดรักสุกรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยต้องดูกายเพราะกายนี่ไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายเพราะงั้นพวกเราหัดดูความรู้สึกดูจิตนี้ถามว่าดูอะไรอยู่อยู่ไปดูตัวจิตได้ไหมดูไม่ได้นะเราดูตัวจิตไม่ได้หรอกเพราะจิตเป็นอะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่มีอะไรให้ดูได้เลย เบื้องต้นให้ดูความรู้สึกไปก่อนความรู้สึกไม่ใช่จิตเรารู้สึกเป็นเจตสิกมีชื่ออย่างหนึ่งว่าเจตสิกไม่ใช่จิตจริงๆหรอกความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์เหล่านี้ให้หัดรู้ไปจิตมันสุขจิตมันทุกข์จิตมันโลภจิตมันตกรธจิตมันหลงนะคอยรู้เรื่อยๆไปเราจะเห็นเลยว่าจิตที่มีความสุขก็ชั่วคราวจิตก็ทุกข์ชั่วคราวนะจิตโลภโกรธหลงแล้วแต่ชั่วคราวเนี่ยเข้ารู้อย่างเนี้เราดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราดูนามาย คือร่างกายของจิตได้แก่ความรู้สึกทั้งหลายนั่นเองเขาเรียกว่านามกายนะมีชื่อเพดังนั้นอย่างเราดูจิตเกิดดับไม่ได้เราก็เห็นเลยว่านะจิตที่โกรธมันเกิดแล้วดับจิตที่โลภมันเกิดแล้วดับเห็นอย่างนี้เห็นได้ต่อไปมันจะค่อยๆแยกแยะออกไปความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกครานี้มันจะไปเจอตัวจิตจริงๆไม่มีร่องรอยเลยนะไม่มีรูปรางอะไรใดทั้งสิ้นเลยเป็นแต่ธรรมชาติรู้เท่านั้นเอง เราจะเจอจิตจริงๆต่อเมื่ออริยามรรคเกิดตอนที่อริยามรรคเกิดจิตที่เป็นอิสระไม่มีอะไรห่อหุ้มเนะื้อโผล่ออกมาฉะนั้นตอนนี้ที่เราว่าดูจิตดูจิตเน่ยจริงๆเราดูเจตสิกดูความรู้สึกไปก่อนนี่คนไหนดูความรู้สึกชํานี้ํานานนะหลวงพ่อบางทีก็สอนให้ดูจิตที่เกิดดับทางสวารทั้งหกเห็นไหมมันต้องไปยิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะดูตัวจิตตรงๆไม่ได้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 ขณะที่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนเช่นนั่งอยู่เฉยๆนะใจมันก็โผล่คิดขึ้นมาปรึกขึ้นมาเห็นหน้าของคนนี้โผล่ขึ้นมานึกขึ้นได้อ้าวไอ้คนนี้เป็นศัตรูของเราเมื่อสิบปีก่อนลืมมันไปนานแล้วนะอยู่ๆหน้ามันโผล่ขึ้นมาความโกรวธอันใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วเรารู้ทันเลยความโกรธเกิดขึ้นแล้วรู้ทันนั่งอยู่ในบ้านดีๆเนี่ยอยู่ๆก็โกรธขึ้นมาล่ะเพราะมันคิด เดินเดินไปอยู่คนมาเดินชนเรานะ แ, แทบจะตกรถไฟฟ้าหลวงพ่อไม่เคยขึ้นหรอกนะสมมุตินนะมันขึ้นยังไงก็ไม่รู้หรอกคนมาเบียดเราแล้วเราโมโหเนี่ยรู้ว่าโมโหเห็นไหมการกระทบทางกายทําให้เกิดความรู้สึกที่ใจนั่งอยู่ดีๆมีคนเดินมาหาโอ้พี่เก่งเหลือเกินพี่ฉลาดเหลือเกินใจมันฟองเลยนะเนี่ยหูได้ยินเสียงใจมันฟองรู้เลยว่าพอง เรียกอยรู้ใจของเรารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าจะรู้ถึงเมื่อไหร่นะรู้ทุกวันทุกวันนั่นแหละถ้าทําได้อย่างนี้นะการปฏิบัติจะ ง, ง่า ย, ยานิดเดียวเลยเพราะทำแบบไม่หวังผลได้ผลเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละไม่ได้ผลก็ช่างมันมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันก็มีความสุขอยู่แล้วนี่ใช่ไหมขันทิพย์เนะีมีแค่มีสติก็มีความสุขแล้วนะ่ะ มีสมาธิก็มีความสุขมีปัญญาก็มีความสุขมีวิมุติก็มีความสุขไม่มีกุศลเมื่อไหร่มีความสุขอ่ะกุศลเป็นชื่อของความสุขอ่ะนะเป็นบุญเป็นกุศลมันเกิดเองมันเกิดเองนะเราฝึกไปเรื่อยฟังหลวงพ่อพูดไปเรื่อยรัสฐีจะเกิดได้เองประหลาดนะฟังซีดีหลวงพ่อฟังไปเรื่อยเถอะตัวเองไม่ได้มาก็เอาซีดีไปฟังนะ คนที่ฟังฟังแล้วสติเกิดขึ้นมานี้เยอะแยะนะนับไม่ถูกแล้วตอนนี้อาจารยครเสี่องที่กาจารย์บอกดูจิตดูอย่าเงี้ยถึงว่าเราเห็นจิตเรารู้ว่าเนี่ยบ้านสุขปกแต่รู้อยู่ว่าสุขปกแต่ไม่ได้กวาดนี่เป็นไงเหมือนว่ามืนก็เรารู้ว่าจิตเราเนี่ยเรากำลังขี้เกียจอะเรารู้ดูอยู่เรารู้ขี้เกียจแต่มันจะทำไงให้มันขยันนะครับเราไม่ได้ฝึกให้ขยันนะฝึกให้ขยันมันก็ต้องไปฝึกอย่างอื่นเช่นมีวินัยกับตัวเอง ถึงเวลาแล้วต้องกวาดสะอาด ห, หรือสกรปรกก็กวาดอะไรเนี่ยฝึกอย่างนี้แต่ของเราฝึกกรรมฐานเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เพื่อให้บ้านสะอาดนะฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตใจเนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจิตมันเห็นบ้านสกรปรกนะมันไม่ชอบเริ่มต้นแต่มันไม่ชอบกันนะแล้วมันไม่ชอบมันอยากให้สะอาดแต่ว่ามันก็ขี้เกียจกวาดเพราะนั้นมันเห็นเป็นลําดับๆมาเลยเห็นตั้งแต่เห็นบ้านสกรปรกไม่ชอบ อยากให้สะอาดรู้ว่าอยากสะอาดนะและขี้เกียจจะกวาดบ้านรู้ว่าขี้เกียจ ด, ดูลงเป็นปัจจุบันจิตไม่เที่ยงให้ดูละะไม่มทีแรกจิตไม่ชอบนะต่อ ม, มาจิตอยากต่อ ม, มาจิตขี้เกียจนี่จิตไม่เที่ยงให้ดูดูอย่างนี้นะง่ายดูไปเธอนะเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องฉลาดเยอะนะแต่ทนไหมทนไหมสังเกตไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูตามสังเกตไปเรื่อย คือว่าตอนนี้หนูเพิ่งหัดรู้สึกตัวนะคะแล้วก็เริ่มสังเกตว่าตัวเองรู้สึกตัวช้าคือหมายถึงว่ารู้สึกไ้มสังเกตตัวนี้หน่อยใจแข็งแข็งอะใจเรายังแข็งแข็งทื่อๆอยู่รู้สึกไหมเรายังบังคับตัวเองอยู่ยังพยายามที่จะรู้สึกตัวอยู่อย่าพยายามนะให้รู้เล่นๆไปรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆพวกเรารู้สึกไหมจิตของหลายคนแกลงไปอยู่ที่หมารู้สึกไหม หัดอย่างนี้นะจิตมันวิ่งไปหาหมาแล้วให้รู้ทันมันถ้าเกิดตายลงตรงนี้หลวงพ่อไม่อยากบอกเลยนะว <c oughs> ิ่งไปไหนก็ไปทางนั้นแหล ะ, ะ, ะก็ตายตอนหลงนะแถมหลงไปเกาะไว้กับหมาก็ไปเป็นหมาสิแต่ถ้าตายเห็นหมานะแล้วจิตรู้สึกอ้อสัตว์โลกมันน่าสงสารนะอะไรเงี้ย เที่ยวกัดกันฮือฮือแฮแ้หน้าอเนจนาญ น, นะอย่างนี้จิดเป็นบุญเป็นกุศล น, นะค่ะหลวงพ่อแป๊บหนึ่งนะมนีไปคิดแล้วเด็กผมยาวอ่ะรู้สึกไหมรู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองเราไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วดวออกไหมยังติดการบังคับตัวเองอยู่นะดวออกไหมว่าเราบังคับตัวเอง าบังคับทำใจให้ทื่อๆหลวงพ่อทําหน้าให้ดูแล้วเราทำเนี้ยแต่เราแกล้งกดเหมือนไว้นิ่งๆอยู่นนหนึ่งอย่าไปแกล้งทํานะการทํากรรมฐานไม่ได้แกล้งทําำให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้เราดัดแปลงกายดัดแปลงใจอ่ ะ, อะเด็กเสื้อเขียวว่าไปถ้าหลวงพ่อก็ตอนช่วงหลังมานี้รู้สึกบังคับตัวเองน้อยลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีอึอดอัอดอึอดอัอดอยู่ครับ ก็อึดอน้อยลงแหละเอบังคับน้อยลงก็อึดอัดน้อยลงหลวงพ่อช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมครับหรือจะให้แน่อะไรอ่ะก็อย่างเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ากิเลสเกิดขึ้นเยอะอะครับสังเกตมั้มใจเราทื่อๆตอนเนี้เอออย่าไปข่มมันไว้สิกิเลสเกิดเยอะก็อย่าไปกลัวมัน กิเลสเกิดนะปัญญาก็เกิดได้นะสติก็เกิดได้พอมีกิเลสขึ้นมาเราก็มีสติรู้ทันมีปัญญาเห็นความจริงว่ากิเลสห้ามมันไม่ได้และกิเลสอยู่ชั่วคราวกิเลสก็ดับไปยมีปัญญาไม่ไปกลัวกิเลสกลัวจนหงอแล้วเราไปบังคับใจให้นิ่งๆเพราะเรากลัวนะเนี่ย ก, กลัวมันกิเลสมาทางไหนสติปัญญาก็มาทางนั้นแหละเสือ้วรู้ไหมตอนส่งไมโครโฟนขาดสติ เ๋ยวหลวงพ่อใครอยากเล่นงานตอนนี้ยได้ผลเกือบทุกคนอะ่ะค่ะหลวงพ่อพเริม่มเริ่มหัดนะคะยอยากจะขอคำแนะนำากหลวงพ่อไม่มีอะไรนะเอาหลวงพ่อเหมาเลยนะพวกที่เริ่มหัดนะ่ะเยอะนะแต่ละวันไม่ต้องทําอะไรมากนะหัดรู้ใจของเราไปจิตใจเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลอกุศลหัดรู้ไปเรื่อยๆใครเคยทากรรมฐานอะไรก็ทําต่อไป เช่นบางคนดูท้องของยุบมา ก, ก่อนก็ดูต่อไปแต่ไม่ได้ดูแบบเก่าดูแบบเก่าเราจะเอาใจเราเป็นแนบไว้ที่ทอ้องครันนี้เราดูท้องข อ, องยุบหรือรู้ลมหายใจหรือพุทโธหรือขยับมือทําจังหวะอะไรก็ตามเถอะให้คอยรู้ทันใจเช่นดูท้องของยุบแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ทันให้คอยรู้ทันใจของเราไปด้วยซ้อมอย่างนี้ทุกวันนะเดี๋ยวสติจะเกิดเอง สติมันเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้จิตจำสภาวะได้เพราะเราซ้อมดูบ่อยๆเพราะฉนัทุกวันนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำตามรูปแบบแล้วก็หัดสังเกตใจที่เปลี่ยนแปลงเช่นเดินจงกรมไปใจไหลไปอยู่ที่เท้าแล้วรู้ทันใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันใจเบาๆก็รู้ทันใจหนักๆก็รู้ทันให้รู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆ ต่ไปสติจะเกิดในชีวิตประจํำวันเกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนเก่าๆมาเรียนถ้าคนเก่าๆมารายงานการปฏิบัติจะเป็นอีกแบบหนึง่งจะไม่มานั่งถามหลวงพ่อว่าทํายังไงหรอกจะต้องทํำยังไงถึงจะถูกเขาจะไม่ถามนะเขาจะมารายงานหลวงพ่อบอกว่ามูนี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนนะเขาจะรายงานกันอย่างนี้นะสติเกิดเองอะ่ะ ทไมสติเกิดเองพระจิตมันรู้สภาวะเว น, นี่ยตอนเนี้ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมใช่หนีไปแล้วรู้ไหมหัดอย่างนี้นะหัดรู้จักอย่างเนี้ยไปส่งต่อไปแล้วไปหัดต่อเอา ข, ขอเล่นถามอย่างหนึ่งได้ไหมคะว่างไงคือมีอยู่คืนนึ่งนอนๆแล้วมันก็คิดว่าหยุดก่อนหยุดก่อนตอนที่เล่าเนี่ยใจเลื่อนลอยไปแล้วรู้สึกไหมใจชักจะเคลิม้มเคลิมไปหาอดีตแล้วรู้สึกไหมค่ะอา้าวเล่าต่อไป ก็นอนๆอนอยู่แล้วก็คิดว่าคนเรานี้มันก็แปลกเนาะหมายถึงว่าเหมือนตัวเรามันก็ไม่ใช่ของเราพักๆแต่วมันก็หายไปหมายถึงว่ามันก็ผุไปมันห้ามแก่ห้ามเหี่ยวไม่ได้แขนเรามันก็ไม่ใช่แขนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าคนแต่ละคนที่มันที่เราเดินผ่านกันจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนกันอืแล้วก็รู้สึกว่า ที่เรามาที่เราอยู่ทุกวันนี้มันก็เหมือนหมุนไปเรื่อยๆแล้วสพักมันหมดเมื่อไหร่มันก็จะหยุดแต่พอไปคุยกับคนคนหนึ่งอะคะ่ะเขาบอกว่านี่เป็นวิธีคิดของคนคุณเศร้าก็เลยกังวลขึ้นมาช่างเขาไปะไรเราเศร้าหรือไม่เศร้าเราก็รู้ของเราเองนะแต่การที่เราคิดอย่างนั้นเป็นสมถะทั้งหมดเลยนะไม่ใช่วิปัสนาเป็นการสมรถะ รเราคิดไปอย่างนี้จิตใจมีความสงบสุขรู้สึกไหมเราคิดไปอย่างเนี้ยจิตใจสงบสุขนะพอจิตใจมีความสงบสุขให้รู้ว่าใจสงบสุขใจสงบรู้ว่าสงบใจมีความสกุกรู้ว่ามีความสุขให้รู้ทันใจไปเลยเพราะฉะนั้นเป็นั่งคิดอย่างเก่าก็ได้นะคิดพิ่เจรณากายแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆพอได้ไหมค่ะออไปเราเอาการพิจารณากายเป็นเครื่องอยู่ แล้วก็มารู้ทันจิตเช่นเอาคิดไปแล้ววันนี้จิตสงบอีกวันหนึ่งคิดเรื่องเดิมนี้นะ่ะจิตไม่สงบนะ้วเรารู้ว่าไม่สงบไม่ได้ฝึกเอาสงบนะฝึกเอาความจริงเพื่อให้เห็นว่าจิตของเราแต่ละวันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันสักวันแต่ว่าคิดที่จะระงับกายไปเรื่อยๆใช้ได้นะจิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วถัดไปแต่ตอนนี้ไม่ตื่นแล้วหลวงพ่อขอถอนที่ชมเมื่อกี้นี้ขาดสติไปแล้ว นึ้ออกไหมเออนี่กลับมารู้สึกตัวได้แล้วอยกให้อีกเอาคืนได้ด้วยนะเอ้าว่าไป อ, อตื่นเต้นเลแล้วไง แ, <น>แล้วก็เผลอบ่อยเออเผลอบ่อยดีแล้วใจมันายแกวง่งายเยอะมากมเข้ามาในนี้ยิ่งใสตอนเคาเปิดประตูใสมันเปิ้ลเ ป, อ ป, อปอเออดีที่เห็น นั่นแหละมาฝึกกรรมฐานก็คือมาฝึกรู้ทันใจของเราเองเห็นใจมันสายตามประตูไปได้ก็ดีแล้วทุกวันนะพยายามไปนั่งหน้าศูนย์การค้าเวลาเขาเปิดประตูดูมันสายอะไรก็ได้กรรมฐานอ่ะเไมไม่เลือกหรอกถ้าเห็นใจมันสายก็ใช้ได้แล้วก็ตอนนี้เริ่มมาเริ่มใสปแปลกๆค่ะเพราะว่าตอ น, นคืนก่อนนอนก็จะเริ่ม เริ่มภาวนาแล้วก็แล้วก็หลังไปเลยอั น, นอย่างนี้ใช่การทำสมาธิไหมคะเออทำไปเถอะดีแล้วทำไปเอาไ อ, อ, อ้คนเนี้ยอหนูเนี่ยทำอะไรอยู่เมื่อกี้เนี้ยเออเมอตับถูกเห็นไหมเมอบ่อยไม่ดีนะพอเมอเมอเนี่ยมันจะไปเป็นภูมิของเดรัชานนะต้องระวังนะถ้าเรา เคยชินที่จะใจลอยเคยชินที่จะใจลอยเคยชินกับโมหะ ต, ตายไปจะได้เป็นสัตว์นะเพราะสัตว์เนี่ยไปในภูมิของโมหะถ้าคนไหนที่โมโหตายแล้วตกนรกก็เป็นภูมิของโทสะคนไหนที่โลภนะอยากโน่นอยากนี่ไปเรื่อยก็ได้เป็นเปรตเนี่ยเราก็เลือกอนาะคตของตัวเองเพะั้นอย่าเมินบ่อยนะอย่าเมือนา น, านไม่ใช่อย่าเมือบ่อยเพื<ต>่อทำหลวงพ่ออย่างหนึ่งว่า ตัวหนูนี่ไม่รู้ว่าหนูถนัดดูกายหรือว่าดูจิตเหอคะดรู้ไหมกําลังสงสัยอยู่สงกรู้ค่ะเออรู้ไปเลยนะเราก็ชอบคิดเยอะเหมือนกันนะดูดูจิตใจไปแต่ว่าเอากายมาช่วยด้วยก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องดูคนเดียวนะมันรู้สึกบ่าบางทีบางทีจิตไปละคือดูจิตปุ๊บแล้วนี้พอกายขยับก็รู้ไปดูกายส<ห>องก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเออ สายกายสายจิตอะไรพวกนี้มันเอาไว้ตอนเริ่มต้นเท่านั้นเองถ้าเรารู้กายถูกต้องเราก็เกิดสติรู้จิตถูกต้องก็เกิดสติแต่เมื่อเกิดสติแล้วบางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้รจิตเลือกไม่ได้มันอย่างนั้นเละคุณเอดดี้ทำอะไรคุณเอดดี้เมื่อกี้นี้ทำอะไรทับไหมอย่าไปกดมันนิ่งๆนะ อยไปทําใจให้นิ่งๆเลยมันยังขมไหมใจหนีไปคิดทราบไหมใจไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันอย่ง เ, เกียวไหมใจเมื่อกี้มันดับแวบลงไปนิดหนึ่งมันแรล้งไปนิดแล้วจิตมันลงสว่างมันลงเป็นช่วงๆนะจิตจะขึ้นมารับอารมณ์แล้วก็ลงไปลงสว่างแรล้งหายไปนิดหนึ่งเดียวก็ขึ้นมาใหม่หจิตค่อยเกิดดับไปเรืย บูชาครับที่แล้วที่รายงานงเพราะมันเบื่อมากครอนนี้ก็นั่งดูมันจะเบื่อเบื่ออยากอยากก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆมันจะดูว่ามั น, มนก็อยู่กับโลกก็อย่างนั้นแหละบูชาเบื่อเบื่ออยากอยากน ะ, ะถ้ามันเบื่อลูกเดียวมันคงหลุด้นไปแล้วล่ะก็เลยนั่งดูความเบื่ออยากสลับกันตอนนี้มันก็สั้นลงไปเรื่อยๆเนี่ยบูชาดูไปให้เห็ น, น, นความจริงจิตจะเบื่อห้ามมันไม่ได้จิตจะอยากก็ห้ามมันไม่ได้จิตไม่เที่ยงรู้ออกไหม เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเบื่อเดียวอยากแล้วจะเบื่อหรือจะอยากก็เลือกไม่ได้เป็นอนัตตาอีกนะแก้วนีจากข้างหน้าไปนั่งตัวโน้นนะไมโครโฟนจะไปถึงแก้วอีกรอบละวนึกออกไหมเมื่อ ก, กี้หลุกตัวเองไปแป๊บหนึ่งนะตัวสนใจไม่เป็นไรรู้อย่างที่เขาเป็นอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นนะถ้าใจเราอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นใจจะทุกข์ ก็อย่าดึงจะดึงมันรู้อย่างเป็นกลางเหมือนเราเห็นคนอื่นเหนื่อยดูเหมือนเราดูคนอื่นอ่ะเราดูไปเพื่อถอดถอนความสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นดูมันไปให้เห็นเหมือนมันเป็นคนอื่นซะร่างกายเคลื่อนไหวเห็นเหมือนคนอื่นเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวเหมือนเห็นจิตของคนอื่นเคลื่อนไหวดูไปถึงจุดหนึง่งมันจะถอดถอนความเห็นผิดร่ากายกับจิตเป็นตัวเรา เพราะนะคะตอนแรกแๆจะหลงทั้งวังนแล้วคะแล้วก็ก็ก็เ ก, ก, ก็เป็นทุกข์ที่มีะติได้ ไ, ม, ไม่บ่อยหลังๆทุกไปบ่อยๆก็เลยไม่เอาอะไรเลย <ừ. S 1> ไม่รู้ว่าตอนนี้ใ จ, <ป>ใจลอยแล้วใจลอยไปแล้วทราบไหมทรา <ừ. S 1> บก็ว่อนไปอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยตามยะถากรรมนะ ้ายๆเราก็าไม่เอาอย่าปล่อยตามยาถากรรมนะต้องตอบตู้นะไม่ใช่ปล่อยเ อ, อแล้วแต่มันเกิดแล้วแต่บุญแต่กรรมอย่างนั้นไม่ได้หน้าที่เราอะคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจบ่อยๆแต่เมื่อเราคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเราเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอะไรเงี้ยแก็คอยรู้มันไปอย่าให้อย่าให้มันปล่อยๆตามบุญตามกรรมมันเฉื่อยไป คำว่าปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยแบบท้อทแท้หมดเรี่ยวหมดแรงนะปล่อยวางเกิดจากมีปัญญาเฉียบแหลมรู้ความจริงแล้วปล่อยได้ไม่ใช่ท้อแท้อทอดอะไรอะไรอะไรก็หน้าเบื่อหมดอะไรก็เป็นทุ่งหมดเลยไม่ยอมดูอะไรสักอย่างหนะึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะจิตใจอ่อนแอไม่ดีต้องสู้นะต้องสู้เราต้องสู้เพื่อตัวเราเองไม่ใช่มาสู้เพื่อหลวงพ่อนะหลวงพาก็สู้ของหลวงพ่อเอง เราก็สู้เพื่อตัวของเราเองถ้าเราไม่สู้เราก็จมความทุกข์ไปเรื่อยๆอเหมือนกับว่าตอนเข้ามานั่งะคะ่ะพอฟังฟังหลวงพอ่อสอนคนอืนเนี้ยคะ่ะคือมันก็รู้ความรู้สึกคือใจยังติดเพ่งติดเริงอะคะ่ะใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็ตื่นเจ้าของไมเข้ามาใกล้เลยๆก็เอรอรู้ถูกต้องแล้ว รู้ถูกต้องะบางทีมันเหมือนกับว่าอย่างตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนมันกระจายกระจายอะค่ะเออกระจายถูกต้องรู้ได้ถูกต้องแล้วดีก็เหมือนกับว่าบางทีเวลาเผลอแล้วรู้สึกไหมพระหลวงพ่อชมว่าดีเลยเผลอเลยค่ะคือบางทีระหว่างวันนะคะเหมือนกับว่าบางทีถ้าสติมันเกิดนะคะมันก็มันก็เกิดต่อต่อกันแบบเหมือนมันก็รู้รู้บางทีใจมันรู้แบบใจวาง มันก็ปุ๊บปุ๊รู้ไปเหมือนเหมือนมันมันดับมันดับมันดับไปแต่บางทีเหมือนรู้มันรู้แบบรู้ไปเฉยๆแต่มันไม่มันก็ไม่ได้สติเกิดสรือตื่นกันไม่จําเป็นนะบางวันสติก็เกิดบ่อยๆบางวันก็ไม่ยอมเกิดเพราะสติเองเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าเขาเกิดปล่อยแล้วก็รู้ว่าเกิดบ่อยเกิดบ่อยแล้วเราดีใจรู้ว่าดีใจวันนี้ไม่ยอมเกิดเราไม่ชอบเลยรู้ว่าไม่ชอบไม่รู้ทันลงไปเรื่อยๆ เอาส่งไปข้างหลังบ้างข้างหลังกําลังนั่งสบายใจเพราะนึกว่าอีกนานกวจะมาเป็นยังไงอืมไม่มีไม่เป็ น, ปนดนะดีแล้วรู้สึกแม่ใจเรามันเหมือนมันตื่นขึ้นมามันเหมือ น, นเราตื่นขึ้นมาคนในโลกนี้ไม่ตื่นนะคนในโลกจะหลับหลับฝันฝันทั้งวันอะ่ะไม่มีคนตื่นหรอกค่อยๆฟังธรรมะปล่ใจอยาค่อยๆตื่นขึ้นมา อยากถามว่าตอนหลับนะฮะเราจะไม่มีจิตอะไรที่จะมาจับอยูกับตัวหรืออะไรที่ซึมเดี๋ยวพ่อไม่ได้ยินต้องพูดใกล้ๆไหมเลยเ อ, อ๋ออยากจะทราบว่าตอนหลับนะคะเราจะไม่มีตัวจิตเราหรืออะไรที่ที่อยู่กับเราจิตนะ่มีอยู่เรื่อยๆแต่เขาเรียกว่าระวังขจิตเวลาหลับจริงๆนะจิตจะไม่ขึ้นมารับรู้อารมณ์ใหม่ๆ ไม่ขึ้นมารับรู้อารมณ์ใหม่ใหม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่คิดไม่นึกอะไรเขาทํางานไปตามความเคยชินเก่าๆของเขาเพราะงั้นเวลาหลับเนี่ยช่างมันเถอะเราหัดจรเินสติตอนตื่นไหม mm hmm. ต่อไปพอเราหัดชำนิชํานาญนะอย่างเราเวลาเราหลับเนี่ยร่างกายมันจะพลิกซ้ายพลิ ก, กว่านะรู้สึกหมดเลยนะจะพลิกซ้ายพลิกว่ารู้ตัวตลอดเลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่า ผมไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าเราไม่ควรไปบังคับไว้นี่ยนะครับบางทีรู้สึกว่าปล่อยตัวให้คิดไปไเนี่ยพอรู้สึกตัวปุบเนี่ยแล้วมันก็จะคิดต่อแล้วคราวนี้มันจะคิดยาวแล้วก็ต้องปล่อยให้คิดอย่างนี้ยแล้วก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้ปล่อยตัดยะถา ก, กรรมหรอกับนะทุกวันเราต้องซ้อมที่หลวงพ่อเป็กพูดเรื่อยๆจําได้ไหมทุกวันอย่าลืมนะไปไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมหัดรู้สภาวะครับนะถ้าเราทําเหตุตรงเนี้ย เวลากลางวันเนี่ยพอใจเราไหลไปคิดปุ๊มันจะมีสตริรู้ขึ้นเองแล้วคราวนี้มันจะเหลือเหตุผลลนะเรามีงานที่จะต้องคิดมันก็คิดก็ไปคิดงานนะตั้งใจคิดแต่ว่าถ้าพออยู่เฉยๆไม่คิดสเปสสปาหรอกพอใจจะไหลสเปสสปา Spa เราก็รู้ทันมัุษู้ทันเองอใจจะสบายแนละมีความสุขนะไม่ใช่รู้ทันด้วยความเหน็ดเหนื่อยถ้ารู้ทันอย่างเหน็ดเหนื่อยแสดงว่ายังไม่ได้รู้จริงหรอก ถ้ารู้ทันแล้วมีความสุขเบิกบานเนี่ยรู้จริงรแล้ว ท, ที่ผมไม่ได้ใจว่าคอับผมว่าถ้าเกิดว่าเราไปปล่อยให้หลงมากเนี่ยมันจะไปเป็นภูมิของของสัตว์ใช่ไหมครับใช่มันก็เลยจะทําให้ค่อนข้างกังวลนว่าก็าาจะไปบังคับ<น>ใช่เพราะฉะั้นเราต้องซ้อมทําเหตุให้เกิ ด, กดสติในการซ้อมดูสภาวะเรื่อยๆนั้นมันจะไม่หลงนานสติจะเกิดบ่อยก็ทําเหตุของมันนะไม่ใช่ว่าไปห้ามหลงนะ เขาห้ามหลงเราห้ามไม่ได้แต่ถ้าสติมีเหตุสติจําสภาวะได้สติเกิดบ่อยไม่หลงนานหลงแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึก <mini> <ค>จิต ท, ที่หลงไปเป็นอกุศลจิตที่รู้สึกเป็นกุศลแต่็แล้วทั้งคู่นี้จะสอนธรรมะเราเท่าๆกันจิตที่ห <m> ลงไปห <m> ้ามมันไม่ได้นี่มันสอนอย่างนี้นะห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว Sergio ้ก <m> ็ <childish> ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลแล้วกุศลเกิดแล้วดับทั้งสิ้น ที่เป็นกุศลแรกกุศลล้ว น, นแต่บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นนี่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้อีกนนึงไหครับถ้าถ้าเราปล่อยสมมติเราหลงคิดไปแล้วเราเลื่อนสิทตัวแต่ว่าเราไม่เราไม่เห็นว่าเรายินดียินร้ายกับมันก็ไม่อันนั้นคือให้รู้ว่าคิดแล้วมันหยุดคืออย่างนั้นไหมครับถ้ารู้ไปมันคิดบ้างหยุดบ้างครับนะมันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเฉยเฉยบ้างเท่าที่รู้ได้เท่าที่รู้ได้ แต่ต้องทําเหตุต้องซ้อมดูหมเหมือนนักมวยนะจะชกออกหมัดเร็วนะก็ต้องซ้อมชกใช่ไหมพวกเราก็เหมือนกันจะให้สติเกิดเร็วเราก็ต้องซ้อมซ้อมดูสภาวะ น, ะนั่นเองทุกวันต้องหมั่นนะแบ่งเวลาไว้ช่วงหนึ่งสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยมาหัดดูสภาวะนะคนไหนเคยดูท้องฟองยุบก็ดูท้องฟองยุบแต่ไม่ตรึงจิตไว้ที่ท้อง จิตนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลนกุศลก็รู้ฝึกอย่างเนี้ยฝึกรู้บ่อยๆในที่สุดสติแก่เกิดบ่อยนั้นอยู่ๆเราจะไปสั่งสติให้เกิดไม่ได้สติเป็นอนัตตาต้องทาเหตุเหตุก็คือจิตจําสภาวะได้จิตจําสภาวะได้เพราะว่าหัดดูบ่อยๆเวออลาจิตมันจะรวมเนี่ย ไม่ทราบว่เราเราจะต้องตั้งตั้งจิตอย่างไงหรือว่าต้องคอยรู้อย่างเดียวคอยตามรู้ไปนะจิตจะรวมอย่าฝืนนะถ้าฝืนแล้วปวดหัวก็จะรวมเราก็มีสติไม่ขาดสติไม่รวมแล้วาหายไปจากโลกเลยเวลาที่จิตรวมรวมนิ่มๆ น, นะด้วยความรู้เนื้อ ร, รู้ตัวเสร็จแล้วจิตไปสว่างอยู่ข้างในแล้วก็ทรงตัวอยู่ยงั้นทรงตัวอยู่นานพอสมควรแนละ้วจิตเขาถอนขึ้นเอง ต้องให้ถอนเองด้วยนะอย่าถอนขึ้นมาถ้าจงใจดึงขึ้นมาจะปวดหัวเ อ, อ, อย่างหนึ่งเวลาที่มันทามันไหลเนี่ยเราจะทํอยังไงหลวงพ่อฟังไหมบ อ, อกว่ออกาทามันไหลอยู่เรื่อยๆเหมือนมีอะไรไหลอยู่ตัวเราเราจะต้องนิ่งๆหรือว่าดูไปเรื่อยๆอะไรล่ะที่โยมธรรมะมันไหลอ่ะ มันอะไรเป็นยังไงมันคล้ายๆมีอะไรอีกไหลยอยู่ในตัวเราอ๋อดีให้รู้ไปเรื่อยๆนะเรารู้ไปเรื่อยๆเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัวเราเหรอกมันทํางานของมันเองทั้งมันทั้งคืนดูอย่างนี้นะเอแต่มันเหมือนไม่หลับไม่เป็นไรไม่ต้องหลับก็ได้ต้องถืออย่างนี้นะเวลาภาวนาแล้วมันไม่ยอมหลับเนี่ยต้องวางใจให้ดีเลยโอ้วันนี้มีบุญวาสนาวันนี้ไม่หลับเราจะดูมันทั้งคืนเลยถ้าวางใจอย่างนี้แป๊บเดียวหลับเลย นี่เป็นเคร็จลับนะวิชานอนหลับกันหลังเปิดคลอสเก็บเงินดีกว่านะเพราะไม่ใช่ธรรมะเนี่ยนี่นะใครเป็นโรคนอนไม่หลับมาฝึกนอนยังไม่เคยฝึกอะไรค่ะผ่านค่ะเออผ่านไปไม่เคยฝึกไม่เป็นไรนะแต่ตอนนี้เริ่มฝึกได้แล้วนานไปไม่ดีนะคนเรายิ่งอายุเยอะยิ่งฝึกยาก อะได้อีกคนสองคนอ่ะอยาถามว่าเวลาเวลาขับรถอะไรเงี้ยชอบฟังวิทยุอะไรเงี้ยเปลี่ยนมาฟังซีดีหลวงพ่อไปแล้วทีนี้แบบว่าเวลาปฏิบัติที่บ้านอะไรเงี้ยเดินจงกรมรู้สึกว่ามันมันเครียด ม, มันสงสัยแล้วก็วก็เลยหยุดเดินยืนเฉยๆแล้วว่ารู้จิแตแอ่มันก็เครียดก็เลย น, นั่นแหละไปนั่งรถบ่อยๆแล้วฟังซีดีหลวงพ่อนะบัลลังก็หายห <c oughs> ลวงพ่อตอไว้หมดละนี่ฮะแจ็ตเห็นไหมได้อีกละตอนส่งไมโครโฟนลืมตัวเองตอนส่งไม้ลืมตัวเองฮะแจ็ตว่าไงครับก็ตอนนี้อ่าการแทรกแซงสภาวะที่ที่เวลาเราเรียนรู้สภาวะใช่ไหมครับแล้วพอเรารู้สึกสภาวะว่ามีสภาวะเกิดขึ้นเนี่ย การแทรกใจสภาวะเนี่ยลดลงครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขได้น้อยกว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาที่เรารู้ทนนันว่าจิตเรากาลังจะไปทำอะไรแล้วมันก็จะยิ้มออกมาทั้งวั น, นครับเออดีแล้วนะครับสภาวะเนี่ยมันจะส่งไปเรื่อยเรือจนถึงพระนาคามีพระนาคามีเนี่ยรู้เลยส่งออกไปข้างนอกมีแต่ทุกข์ล้วนล้วนนะ ทรงอยู่นี้มีแต่ความสุขล้วนๆมันจะรู้สึกอย่างนี้ครับทาต่อไปได้ข้างหลังนั่น่ะทรงมาบ้านนานๆมาทีเวลาที่ที่รู้สึกตัวค่ะมันจะเหมือนรู้แต่ความทุกข์อะค่ะเวลาที่ทุกข์มากๆถึงจะรู้สึกตัวเหรอเหมือนเหมือนไม่เคยเจอความสุขอะค่ะแต่รู้ว่ามันมีความสุขเนี่ยแต่เวลามีความสุขมันเคลิมไปหรือเปล่าค่ะ มันไม่เหมือนไม่รู้เลยว่ามันสุขอยู่ใช่อย่างนี้มันหลงไปพอเวลามีความสุขแล้วมันเผลอเผลอเผลอเผลนเรื่องนั้นที่ราคะพวกเทวดาเลยภาวนายากเทวดามันเผลนเผลนแต่ภูมมนุษย์นี่ดีนะสุขว่างทุกว่างภาวนาง่ายแล้วเวลาที่รู้ตัวเนี่ยวันไหนที่รู้ตัวได้เนี่ยมันจะมันจะรู้ได้ติดๆกันเหมือนมันแบบเร็วมากนี่พเหมือนคนทางเนี้เนี่ยเบอร์อะไรเนี่ย มัาเป็นอย่างนั้นแหละนะถูกต้องแล้วก็สงสัยอะไรไปถามแจ็คนะนะ <c oughs> อ๋อวันนี้ได้แค่นี้เนา ะ, ะหมดแรงแล้ว